วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สาสิบอ็ดสิงหาคมพุทธศักราชสอง6ห้าเป็นวันพระวันธรรมสวนสวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันเร่งความเพียรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ ชาวพุทธเราผู้มีจิตใรทมใยบุศลได้หยุดภารกิจการงานต่างๆไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาศึกษาธรรมะคำสอมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในจิตใจวันพระจึงเป็นวันที่ชาวพุทธเราให้ความสำคัญต่อการมาปฏิบัติทำที่พทธเจ้าได้สงสอนให้ปฏิบัติสงสอนให้มีความเพียรในสี่สถานด้วยกันเพื่อหนึ่ง เพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น 2. เพียรรักษาบุญรักษากุศลที่ได้เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ต่อไป 3. เพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่ได้ละให้หมดสิ้นไปและเพียรป้องกัน ไม่ให้บาปอากุศลที่ได้ละแล้วกลับคืนมาอีกนี่คือความเพียรที่เรียกว่าสัมวาวายาโมวความเพียรชอบเพียรสร้างบุญสร้างกุศลเพียรรักษาบุญรักษากุศลที่มีแล้วเพียรละอา บ, บาปอากุศลที่ยังไม่ได้ละและเพียรป้องกัน ไม่ให้บาปอากุศลที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราถ้าเราต้องการความสุขความเจริญของจิตใจต้องการให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดชาวพุทธเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติกันเอง พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้ท่านมีหน้าที่บอกมีหน้าที่สอนให้เราปฏิบัติเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรเราก็ต้องมาปฏิบัติกันต้องทําให้เกิดขึ้นบุญกุศลที่ยังไม่ได้เกิด ควรจะทําทให้เกิดขึ้นบุญกุศลคืออะไรก็คือการทําทานทําบุญทําทานชนิดต่างๆทานนี้มีหลากหลายชนิดด้วยกันที่เราสามารถทําได้กับบุคคลที่มีหลากหลายด้วยกันทําทานเพื่อความกตัญญูกะตะเวทีทําทานเพื่อทดแทนบุญคุณ ของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาปุยาตายายภูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณกับเราพอเรามีฐานะมีกำลังที่จะตอบแทนนุ่นคุณให้กับท่านได้เราก็ควรที่จะตอบแทนนุ่นคุณกันให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของให้สิ่งที่ท่านต้องการ สิ่งที่ขาดแคนเดือดร้อนให้เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานหรือจะทำบุญทำทานกับวัดวาอารามก็ได้ทำบุญกับศาสนาก็ทำบุญกับพระภิกษุที่อยู่ในในวัดในวาทำบุญใส่บาตรทำบุญถวายผ้า พ า, า่าถวายผ้ากถิ่นทำบุญถวายสังฆทานทำบุญสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทำบุญค่าน้ำค่าไฟทำบุญเพื่อชำระหนี้สงฆ์ทำบุญเพื่อซ่อมแซมปฏิสังขร อ, อาการอาคารถาวรวะัตถุที่ชำรุษสุโอม ให้คงอยู่ในสภาพที่ที่สวยงามที่ดีงาม น, นี่ก็เป็นการทำบุญกับพระพุทธศาสนาหรือถ้าอยากจะทำบุญกับโรงพยาบาลก็ทำกับโรงพยาบาลต่างๆซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลซื้ออยู่ซื้อยา ทำบุญกับโรงเรียนมีโรงเรียนขาดแคนอะไรที่พอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปทำบุญกับสถานสงข์ครับต่างๆสถานสงข้ครผู้สูงอายุสถานสงข้ครเด็กพิการหรือจะไปทำบุญกับสงฆ์ครับกับสัตว์ ไปถ่ายชีวิตวัวควายปล่อยนกปล่อยปลานี่คือการทำทานทำบุญทำกุศลชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกันเพื่อที่จะได้สร้างความสุขให้แก่จิตใจให้มีความสุขแล้วก็ให้ สร้างความเจริญยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอากมนุษย์ก็จะได้ขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทวดาตายไปก็จะได้ไปสวรรค์กัน น, นีเกือบุญต่างๆที่ควรจะทำกันตามโอกาสตามกำลังของผู้ที่จะทำว่ามีมากมีน้อยข้อสำคัญก็อย่า อย่าทเพราะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าตัวเองยังไม่มีเงินพอที่จะดูแลตัวเองได้ก็ก็ต้องรอไว้ก่อนทำบุญอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้ทำบุญด้วยการใช้ร่างกายของเราเวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็ไปทำงานให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ เป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครช่วยงานโดยที่ไม่รับค่าจ้างของตอบแทนทําเพื่อให้เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจสบายใจอันนี้ก็เป็นการทําบุญได้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันไม่จําเป็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองใช้ข้าวใช้ของเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเราไม่มีเงินทองไม่มีข้าวของเรามีเวลาว่างเราก็เอาเวลาที่เราว่างนี้ไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆเป็นอาสาสมัครช่วยกันทำงานทำอะไรโดยที่ไม่รับค่าแจ้งค่าจ้างผลตอบแทนทำแล้วมันจะทำให้ใจเรามีความสุข ทำให้เราใจเราสูงขึ้นทำให้ใจเราเมีคุณธรรมคือมีจาคะมีการเสียสละมีการแบ่งปันมีการลดความเห็นแก่ตัวทำบุญทำกุศลแล้วจะทำให้เรานี้ไม่มีความเห็นแก่ตัว เมื่อลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงไปทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเราจะทำให้เกิดมีความเมตตาการุณาขึ้นมาภายในใจอันนี้เป็นวิธีหาความสุขของชาวพุทธเราไม่ควรที่จะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟัง ไม่เสบรูปเสียงกิ่นลดโกรธทชนิดต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดการเสพหาความสุขเหล่านี้ไม่ได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับอาจแต่อาจจะกลับดึงให้จิตใจลงต่ำได้เพราะถ้าไปเสบรูปเสียงกิ่นลดที่ขัดต่อหลักศีลธรรมเช่นไป พ, พิ่ไปประพฤติผิดประเวณี หรือถ้าไปเสพอบา ย, ยมุก<ม>เช่นสุรายาเมามเที่ยวกลางคืนพ<ม>บคน <c oughs> เที่ยวกลางคืน<ม>เล่นการพนัน<ม>การเสพความสุขเหล่านี้<ม>จะทำให้จิตใจลงต่ำได้จะดึงจิตใจให้ต่ำกว่าเป็นจากกานเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเปรตเป็นอสูรกาย ไปเป็นสัตว์นรกตามลําดับต่อไปจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําถ้าอยากจะมีความสุขให้ทําให้หาความสุขจากการทําบุญชนิดต่างๆทําบุญให้ทานแล้วก็สามารถอุทิศบุญได้อุทิศบุญให้แก่ผู้ที่เลื่องลับไปแล้วก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเวลามีใครเขาต้องการจะไปทําบุญแล้ว เราสนับสนุนส่งเสริมเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอนุอนุโมทนาบุญเราก็ได้บุญคนทีเขาทำงานกับเราเขาขอรางงานไปทำบุญเราก็ควรจะอนุโมทนายินดีอย่าไปห้ามเขาอย่าไปเกลีดการเขาซึ่งเราคงได้ยินมีข่าว มีพนักงานขอลาไปท ำ, ทำบุญงานศพแม่ยังไงหรือ ไ, ไปดูแลแม่ทางโรงงานทางบริษัทก็ไม่ให้อนุญาตไม่ให้ไปถ้าไปจะต้องลาออกจากงานอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่อนุโมทนาบุญถ้าเป็นคนใจบุญเห็นท้องมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับ บิดามารดาของเขาก็าควรที่จะอนุญาตให้เขาไปดีไม่ดีอาจจะให้ความช่วยเหลือเขาไปด้วยหรือให้เขาลางงานโดยที่ไม่หักเงินเดือนอย่างนี้ก็<ๆ>เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญเป็นการทําบุญอย่างวิธีการทําบุญมีหลากหลายวิธีด้วยกันการมาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ ก็เป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลททำจิตใจให้สงบทำให้จิตใจสูงขึ้นไปในระดับของพรมเว <Yeah. S 1> ลาฟังเทศฟังธรรมไปนี้จิตใจจะมีความสงบ <Yeah. S 1> แล้วจิตใจก็จะมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะนำพาให้จิตใจได้ห <c oughs> ลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือกิจกรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเราทากันถ้าเราอยากจะมีความสุขความเจริญทางด้านจิตใจให้พยายามทาบุญต่างๆตามฐานะตามโอกาสตามกําลังของเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ทาบุญทุกรูปทุกชนิดทุกรูปแบบ เราสามารถที่จะเลือกทำได้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่แล้วแต่ฐานะแล้วแต่กำลังของเราแล้วแต่เหตุการณ์ทำบุญแบบไหนได้ในตอนไหนก็ทำมันไปเลยอย่าอย่าเสียดายเข้าของเงินทองมากจนเกินไปเงินทองนี้มีไว้ก็มีไว้เพื่อที่จะ เลี้ยงดูร่างกายของเราแล้วก็ที่เหลือก็ให้เอาไว้สาหรับเก็บําลองไว้ส่วนหนึ่งเผื่อวันข้างหน้าเราไม่มีรายได้เราก็จะได้มีเงินทองที่เราเก็บํำลองไว้หรือเอาเงินที่เราเก็บํำลองไว้ไปลงทุนไปฝากเพื่อได้ดอกเบีย้ยขึ้นมาฝากในธนาคารหรือเอาไปทำ ไปลงทุนทําธุรกิจทําการค้าขายที่จะทําให้เราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ไปทําบุญทําทานเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับจิตใจสร้างความเจริญยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเวลาตายไปจะได้ไปสวรรค์กันชีวิตของเราในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราว เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดวันใดวันหนึ่งชีวิตของเราก็จะต้องสิ้นสุดลงแล้วเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะไปตามบุญตามบาปที่เราทําไว้ถ้าทําบุญใจเราก็จะได้ไปที่สูงไปที่มีความสุขที่มีมากกว่าความสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้ นี่คือประโยชน์ของการทำบุญทำทานทำบุญชนิดต่างๆบุญกุศลเรียนสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ทำกันทำทานทำทำบุญที่เกิดจากการให้ทานทำบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ทำบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญทําบุญที่เกิด จ, จากการช่วยเหลือรับใช้สังคมช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆทําบุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือการกระทําที่ชาวพุทธเราควรจะทํากันโดยเฉพาะในวันพระนี้ควรจะทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง เช้าซะเช้านี้ใส่บาทกันหรื อ, อยังถ้าเคยใส่บาทอยู่เป็นประจำก็ควรที่จะใส่ต่อไปหรือทำให้มากขึ้นถ้าเคยใส่หนึ่งร้อยบาทวังพระอาจจะขอเพิ่มเป็นสองร้อยบาทเป็นกรณีพิเศษทำให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไป อย่าไปเสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตายไปเอาไปไม่ได้ทำเอาประโยชน์จากเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เลยเราจะได้ประโยชน์จากเงินทองก็ต่อเมื่อเอาเงินทองนี้ไปแลกเป็นบุญบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ที่ต่างประเทศเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศนี้เราจะไม่เอาเงินบาทไป เพาเงินบาทนี้ไปใช้ในต่างประเทศไม่ได้ถ้าเราจะไปประเทศจีนเราก็ต้องแลกเงินหยวนไปไปญี่ปุ่นก็แลกเงินเยนไปไปอเมริกาเราก็แยกแลกเอาดอลลาร์ไปเพราะว่าเอาเงินบาทไปนี่ใช้ยากอาจจะใช้ได้บางที่อาจจะต้องไปที่ธนาคารไปแลกไม่สะดวก เหมือนกับการที่เราแลกเอาเงินของประเทศนั้นไปเลยกับเรานันใดบุญนี้ก็เป็นเงินของโลกทิพย์เวลาร่างกายนี้ตายไปจิตของเรานี้จะอยู่ในโลกทิพย์เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีบุญก็ถือว่าดวงวิญญาณที่มีเงินที่สามารถที่จะเอาไปซื้อความสุขชนิดต่างๆในโลกทิพย์ได้ถ้าไม่มีบุญก็ต้องไปอยู่แบบคนยากคนจน อยู่แบบขอทานที่จะต้องมาคอยรอรับส่วนบุญส่วนขนส่วนบุญอุทิศจากผู้ที่เป็นญาติพี่น้องที่ยังไม่ได้ตายไปอันนี้คือประโยชน์ของการทําบุญมีความมีประโยชน์ทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ใจของเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราทำบุญทำทาบุญแล้วจะทำให้เรามีความอิ่มเอิใจสุขใจสบายใจข้อสำคัญในการทำบุญนี้ที่จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจก็คือเราต้องทาด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยเช่นไปทำบุญแล้ว หวังว่ให้เขาทําอะไรให้กับเราอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นการซื้อขายกันเงินเราเอาเงินไปซื้อของที่ร้านที่ร้านเขาก็ให้ของเรากลับมาเป็นการแลกเปลี่ยนกันทําบุญนี้ไม่ต้องไม่ไม่ทําเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผู้ที่เราไปทําด้วยทําโดยที่เราต้องการ ช่วยเหลือให้เขามีความสุขถ้าเห็นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนหรือถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเราเราก็ทำไปแต่เราไม่เรียกร้องผลตอบแทนกลับมาแม้แต่คำว่าขอบคุณหรือขอบใจก็ไม่ไม่ไม่หวังไม่ต้องการทำไปเพื่อให้เรามีความสุขใจสบายใจ ที่เราได้เสียสละสิ่งที่เราได้หรือสิ่งที่เราได้หรือจะต้องการหรือไม่ต้องการก็คือความสุขใจงั้นการทาบุญนี้ไม่ต้องไปหวังผลบุญไม่ต้องไปขอผลบุญผลบุญมันตามมาโดยอัตโนมัติเหมือนกับการรับประทานอาหารไม่ต้องการให้มันอิ่มไม่ต้องเรียกร้องความอิ่มจากการรับประทานอาหาร รับประทานไปแล้วเดี๋ยวความอิ่มมันก็จะเกิดขึ้นเองอันนี้คือการทำบุญที่ได้บุญจริงๆก็คือทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าไปทำบุญแล้วก็ไปยังไปยึดติดกับของที่เราทำอยู่บางทีไปทำอะไรให้ใครแล้วก็ต้องบังคับให้เขาเอาไปทาอย่างนั้นทาอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่นเรียกว่าเป็นการทำบุญ เพรมันมีเงื่อนไขมีเอาไปแล้วต้องใช้นะต้องเอาไปกินเอาไปอะไรถ้าเกิดเขากินไม่ได้เขาไม่ใช้ไม่ได้นี่จะให้เขาไปกินพอเขาไม่กินไม่ใช้ก็าอาจจะไปโกรธเขาหรืออาจจะไปเกิดความเสียใจก็ได้ในเวลาทำบุญนี้ต้องทำแบบปล่อยวางให้ของเขาไปแล้วเขาจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เขา ถ้าเขาไม่ไปทำในสิ่งที่เราเห็นว่าควรจะทำเช่นเขาเห็นว่าเขาเดือดร้อนไม่มีข้าวกินเราก็ให้เงินเขาไปแต่แทนที่เขาจะเอาเงินไปกินข้าว<ม>ก็เอาเงินไปแทงลอตเตอรี่หรือไปเล่นการพ น, นันหรือไปดื่มสุรายาเมาถ้าอย่างนี้คราวหน้าเราก็อย่าไปให้เขาถ้าอยากจะให้เขาได้ข้าวก็ซื้อข้าวให้เขาไปเลยอย่าให้เงินทองไป เวลาเราทําบุญแล้วใจเราอย่าไปผูกพันเพราะการไปผูกพันนี้แทนที่จะทําให้ใจเรามีความสุขกลับจะทําให้ใจเรามีความทุกข์ความกังวลได้ น, นี่คือวิธีการสร้างความสุขให้กับใจด้วยการสร้างบุญสร้างคุศลต่างๆบุญนันไดที่เราได้ทําไว้แล้วก็ควรจะทําต่อไป เช่นถ้าเราเคยใส่บาตรทุกวันพระเราก็ควรจะใส่อย่างน้อยก็ทำใส่ต่อไปหรือถ้าเราอยากจะทำให้มากขึ้นเราก็ทำเพิ่มแทนที่จะทำแค่เฉพาะวันพระเราก็จะทำวันโกนด้วยเพิ่มเป็นสองวันถ้าเราไม่เคยทำบุญใส่บาตรเลยก็ลองทำดูยัง <c oughs> ไม่เคยทำบุญใส่บาตรก็ลองมาทำบุญใส่บาตรดู ในวันใดวันหนึ่งที่เราสะดวกก็ได้จะ<ม>เป็นวันพระวันอะไรก็ได้แล้วแต่เรา<ม>แล้วถ้าทำไปแล้วมีความรู้สึกมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความสบายใจก็อยากจะทำเพิ่มก็ทำได้<ม>ทำเพิ่มไปเรื่อยๆตามกําลังตามความสามารถของเราทำมากก็จะทำให้ใจเรามีความสุขมากตายไปใจก็ไปสู่สวรรค์ที่สูง ขึ้นไปตามลาดับสวรรค์นี้ก็มีแบ่งเป็นหลายชั้นด้วยกันความสุขของสวรรค์แต่ละชั้นก็มีมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบุญที่เราได้ทำนี่มีมากมีน้อยทำบุญมากก็จะไปสวรรค์ชั้นสูงกว่าทำบุญน้อยก็จะไปสวรรค์ที่ชั้นต่ำกว่านี้คือสิ่งที่เราควรจะทากันถ้าเราอยากจะมีความสุข ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วใจของเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วพอบุดบุญก็เราก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มารับอานิสงส์ของบุญที่เราทำไว้อีกใหม่คือเงินทองที่เราทำไว้นี้ก็เป็นเหมือนเราไปฝากไว้ในธนาคารบุญเมื่อเงินที่เราเอาไว้เงินที่เราทำบุญ เป็นเหมนเ ง, งินที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญกลับมาเราก็จะเกิดมามีฐานะที่ร่ำรวยที่ดีกว่าเก่าเพราะเรามีเงินที่เราได้สะสมมาไว้ในชาติก่อนมาเกิดมีฐานะมีมีทรัพย์มีสมบัติข้าวของเงินทองรอเราอยู่หรือถ้าไม่มีเวลาไปทำมาหากินก็จะรู้สึกสะดวกลวดง่ายดายกับการทำมาหากิน รายได้ก็ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างง่ายดายอันนี้เป็นอ น, นิสงส์ของบุญที่เราได้ทําไว้ในอดีตชาติอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาทํากันในวันพระสร้างบุญที่เรายัางไม่มีให้เกิดขึ้นแล้วข้อที่สองให้สร้างบุญที่ให้รักษาบุญที่เรามีไ้แล้วอย่าให อย่าให้หายไปเคยทำบุญเท่าไหร่ก็ทำไปยกเว้นว่าเราเกิดมีฐานะยากจนลงรายได้ลดลงไม่สามารถทำบุญในระดับในระดับในระดับที่เราเคยทำได้เราต้องลดลงมาตามภาวะตามฐานะการเงินการทองของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยแต่ถ้าเราฐานะการเงินเราไม่ลดลง แล้วมีมากขึ้นเราก็ไม่ควรที่จะลดการทําบุญของเราให้น้อยลงไปควรจะทําให้เพิ่มมากขึ้นไปให้ทําบุญให้มากขึ้นถ้าเราสามารถทําได้ไม่ให้ลดน้อยลงไปนอกจากว่ามันไม่มีกําลังที่จะทําก็ต้องลดน้อยลงไปตามกําลังทรัพย์ของเราอันนี้ก็เป็นเรื่อง เรื่องของความความจําเป็นความสุนทรียั น, นี่คือเรื่องของบุญกุศลส่วนเรื่องบาปอากุศลก็คือการกระทําบาปต่างๆและการเสพอบายามุขการทําบาปก็ได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติประเพณีการพูดปดเรียกว่าเป็นการกระทําบา ส่วนอบายามุกก็ได้แก่การดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนัน <c oughs> การเที่ยวกลางคืนการมีความเกียดค้าน <c oughs> แล้วก็การครบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะกระทำกันอบายามุกนี้ยังไม่เป็นบาปแต่จะเป็นตัวที่ฉุดลากให้เราไปทำบาปได้ต่อไป เช่นเวลาเราเดือดเซาแล้วเกิดอาการมึนเมาขาดสติเกิดมีอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะไปพูดจาหยาบคายไปดูไปดา่าไปว่าคนอื่นไปทะเลาะวิวาดหรือไปทุบไปทุบตีกันหรืออาจจะถึงกับฆ่าฟันกันก็ได้ถ้ามีอาการมึนเมาขึ้นมายังไม่ควรที่จะเดือดเซาเพราะจะทําให้ขาดสติเมื่อไม่มีสติแล้วเวลา มีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีนําไปสู่การกระทําบาปต่างๆได้จึงไม่ควรที่จะไปเสพใบายามุกเล่นการพนันก็จะทําให้เราต้องสูญเสียเงินทองเมื่อเงินทองไม่มีก็อาจจะต้องไปหาเงินทองมาโดยวิธีไม่ชอบคนที่เล่นการพนันแล้วติดหนี้พ น, นันต้องไปใช้หนี้ก็ต้องไป หาเงินมาใช้หนี้โดยวิธีไปป้นร้านทอง<ม>ไปป้วนร้านค้าต่างๆอันนี้มีข่าวาวที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆเป็นผลที่เกิดจากการไปเสพประบายมุก<ม>หรือการไปเที่ยวกลางคืนะเที่ยวกลางคืนก็มักจะไปประพฤติผิดประเพณี<ม>ไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเรา <c oughs> ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาของเรา อันนี้ก็เป็นการประพฤติผิดประเพณีไม่ควรทำความเกยียจค้านก็ไม่ควรจะมีเพราะความเกยียจค้านจะทำให้เราไม่สามารถที่ไปทำงานหาเงินหาทองมาเป็นมาใช้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายของเราได้เมื่อเราเกยียดค้านไม่ทำงานไม่หางานไม่มีเงินใช้เราก็จะไปหาเงินโดยวิธีมิชอบใบรักขโมยไปชอ่อกงไปหลอกลวง นี่คืออบายามุขส่วนคนที่ชอบอบายามุขเราก็ไม่ควรที่จะไปคบค้าสมาคมกับเขาเพราะว่าถ้าเขาชอบดืม่มโซดาเขาก็จะชวนเราไปดืม่มโซดาเขาชอบเล่นการพ น, นันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นันเขาชอบเที่ยวกลางคืนเ ข, ขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนเขาชอบความเกียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้าน เป็นบุคคลที่ไม่ควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยถ้าจาเป็นยังต้องคบค้าสมาคมก็ต้องเรามองอย่าให้เขาพาเราไปในในทางที่เขาเขาไปถ้าเขาชวนเราไปเื่นตุลาเราก็ต้องปฏิเสธถ้าเขาชวนเราไปเล่นการพ น, นันเราก็ต้องปฏิเสธถ้าเขาชวนเราไปเที่ยวกลางคืนเราก็ต้องปฏิเสธทำ คือเราไม่รังเกียจที่จะโบเขาแต่เรารังเกียจในพฤติกรรมที่เขาจะชวนเราไปทำถ้าเขาชวนเราไปทำบาปนี่เราก็อยากไปทำชวนให้เราไปประพฤติผิดประเพณีเราก็อยากไปอันนี้คือเรื่องของอบายมุขที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะมันจะชวนให้เราไปทำบาปต่อไป ส่วนบาปก็คือการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์ของผู้อื่น<ม>การประพฤติผิดประเพณีและการพูดปดโกหกหลอกลวง<ม>นี่เป็นการกระทำที่ไม่ควรจะกระทาเป็นอย่างยิ่งเพราะทำแล้วจะทำให้จิตใจนี้ต่อความทุกข์ต่อความวุ่นวายใจขึ้นมาเวลาทาบาปแล้วใจจะไม่สบายใจจะมีความหวาดกลัว กลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเองแทนที่จะมีความสุขจากการทำบาปถ้าเป็นความสุขก็ความสุขเดียวเดียวตอนที่ได้ทำตอนที่ไปป้นเงินได้เงินมาใหม่ๆก็ดีใจทีนี้พอพอมาคิดว่าแล้วทีนี้จะทำยังไงตำรวจกำลังตามตัวจับเราอยู่จะอยู่เฉยๆเป็นปกติแบบเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แนละ้วจะต้องหาที่หลบที่ซ่อน ท, ที่ที่หลีกที่หนี เวลาับเวลานอนก็ต้องคอยหวาดระแวงว่ามีใครมาจะมาตามจับเราหรือไม่มการทำบาปนี้มันจะทำให้ใจเราทุกข์ไม่ได้ทำให้ใจเราสุขกต่อย่างใดแล้วเวลานัางกายตายไปแล้วใจเราก็จะต้องไปอยู่ในอบายไปเกิดเป็นลิรษ า, านบ้างถ้าไม่ได้เกิดก็ไปอยู่เป็นเปรตบ้างเป็ น, นอสูรกายบ้าง หรือไปอยู่ในนรกบ้างอันนี้คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราทำบาปกันตอนนี้ถ้าเราทำบาปข้อไหนอยู่ก็ควรที่ควรที่จะมาเลิกกันอย่างน้อยก็มาเลิกในวันนี้ก่อนก็ยังดีในวันพระมาถือศีลห้ากันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดบทไม่ดื่มสุรายาเมา และการละอบายามุกอื่นๆเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเป็นต้นถ้าเรารักษาได้แล้วรักษาศี่ห้าได้แล้วเราก็ต้อง ร, รักษาต่อไปอย่าเลิกรักษาเพียรพยายามละบาปที่เราทีละได้แล้วไม่ให้กลับมาอีกถ้าเคยถ้าเคยเลิกเดือดร้อนแล้วก็อยากอยากกลับไปเดือดร้อนอีก ถ้าเลิกโกหกแล้วก็อย่า ก, กลับไปโกหกอีกถ้าเลิกประพฤติผิดประเพณีแล้วก็อย่า ก, กลับไปประพฤติผิดประเพณีถ้าเลิกขลักขโมยแล้วก็ให้เลิกเลิกฆาสัต์แล้วก็อย่า ก, กลับไปทำอีกนี่คือเรื่องของการเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้จิตใจเรานี้สูงขึ้นไม่ไม่ให้ลงต่ำ การไม่ทำบาปนี้เป็นการปิดประตูบายตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราก็จะไปที่สูงถ้าเราไปถ้าเราทำบุญทำทานเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นชั้นเทพแล้วถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นที่สูงกว่าที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าสวรรค์ชั้นนิพพานเราก็ต้องทำบุญเพิ่ม บุญที่เราต้องทำก็เรียกว่าการภาวนาการปฏิบัติจิตตะภาวนาการทาจิตตะภาวนานี้จะทำให้จิตใจเราสงบมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการทาบุญทำทานแต่การที่เราจะมาภาวนาได้นี้เราต้องมีการเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าให้เราเพิ่มเป็นศีลแปดเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุข การที่เราจะหาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ยุติการเสพรูปเสียงก ล, ลิ่นรสเราจะได้เอาเวลาที่เราไปใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้มาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนาทําใจให้สงบจะได้จะได้ยกระดับจิตขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรรมแล้วถ้าเรา ปฏิบัติต่อไปพอเราได้สวรรค์ชั้นพรหมแล้วได้สมาธิได้ความสงบแล้วเราก็มาปฏิบัติภาวนาขั้นต่อไปเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเป็นขั้นเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมเพื่อที่จะได้ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหัน ตามลำดับต่อไปมีคือการปฏิบัติเพื่อ ย, ยกระดับความสุขใจให้ให้มีมากขึ้นยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและลดความทุกข์ให้มีน้อยลงไปตามลาดับยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะมีลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ ก็จากการที่เราปฏิบัติจิจตภาวนาและการรักษาศีลแปดหรือการไปบวชเป็นพระเป็นแมช่ชีอันนี้เป็นสิ่งที่จะยกระดับจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นลดความทุกข์ให้น้อยลงต้องถือศีลบวชกันอย่างวันนี้วันพระก็ลองมาถือศีลบวช ด, ดูสักวันหนึ่งมาถือศีลแปดกันย่อยงดการไปเสพรูปเสียงกินลดต่างๆ เช่ไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราธรรมดาถ้าเราถือศีลห้าเรายัางร่วมหลับนอนกับแฟนของเราได้อยู่แตวันนี้ถ้าเราไม่อยากที่จะหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนเราก็มาถือศีลแปดศีลข้อสามก็เป็นอบ ร, รมจริยาคือการประพฤติการละเว้นจากการประพฤติที่ไม่ใช่เป็นพรหมจรรย์ก็คือมารักษาศีลพรหมจรรย์ พรามจารย์ก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครนั่นเองหาความสุขของจากการเป็นพรหมพรห ม, มหาความสุขจากการทำใจให้สงบถ้าเรายัางไปทำกิจการร่วมหลับนอนกันอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะเอามาทำสมาธิมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมทําจิตใจให้สงบได้ถ้าเราอยากจะมีเวลา ทำจิตใจให้สงบเราก็ต้องระ ง, งับกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นการร่วมหลับนอนกันเราก็ต้องละเว้นกันแล้วก็ละเว้นการหาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปคือรับประทานตามความอยากเราจะตัดการอยากในอาหารด้วยการถือศีลข้อหกคือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว เพราะร่างกายนี้ได้อาหารพอเพียงแล้วร่างกายนี้กินอาหารมื้อเดียวมื้อสองมือนี้ก็เหลือเฟือแล้วพระนักบวชที่เป็นพระป่านี้ท่านจะถือตุ ด, ดงข้าวฉันอาหารมื้อเดียวฉันั้นครั้งเดียวก็พอทำให้ร่างกายอยู่ได้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วไม่จะเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารสามสี่มื้อด้วยกัน การรัประทานอาหารสามสี่มื้อนี้เรียกว่าเป็นการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของทั้งของอาหารแล้วก็ไปทําให้เกิดปัญหากับร่างกายเพราะเมื่อลัประทานอาหารมากๆก็จะทําให้ร่างกายมีน้ําหนักเกินเมื่อมีน้ําหนักเกินก็จะไปสร้างความกดดันให้กับอวัยวะต่างๆของร่างกายหัวใจก็ต้องทํางานมากขึ้น แล้วอาหารที่เข้าไปก็อาจจะไปทำให้เกิดมีการมีไขมันมากก็จะทำให้เส้นเลือดมีไขมันอุดตันทำให้เกิดความดันสูงกินอาหารมากมีรสหวานมากก็จะทำให้เกิดมีเบาหวานมีอะไรต่างๆตามมาเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายและต่อจิตใจ<ม>เพราะนั้นพระพุทธเจ้าทงสอนว่าผู้ที่อยากจะหาความสุขจากการทาใจให้สงบนี้ ต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอคือให้อยู่เพื่อกินให้กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พออย่าอยู่จะ อ, อยู่เพื่อกินกินแบบไม่มีขอบมีเขตกินตั้งแต่เช้ามืดถึงถึงยามดึกอย่นี้เรียกว่าอยู่เพื่อกินเราให้เรามากินเพื่ออยู่เพื่อเอาร่างกายนี้มา ปฏิบัติธรรมมาสร้างทำสร้างสร้างความสูขทางด้านจิตใจสิ้นข้อหกก็คือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วการรับประทานอาหารพอประมาณนี้จะทําให้ไม่มีความง่วงนอนซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคได้ถ้าเรากินมากๆ ม, ม, มากเกินไปกินแล้วร่างกายมันอิ่มมันก็จะขี้เกียจมันก็จะเกิดความอาการง่วงเหงาหาวนอน เวลาจะไปนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้นั่งแล้วสับประหนกแต่ถ้ากินพอประมาณกินไม่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วนี่แล้วกินมื้อเดียวได้นี่เรื่องอาการง่วงเหงาเหานอนนี้จะไม่มีปัญหาจะไม่เป็นปัญหาเลยเวลานั่งสมาธิก็นั่งได้ตัวตรงไม่ไม่สับประหนกเดินจงกรมก็เดินมีกำลังวังชาที่จะเดินไม่เกิดความเกียดค้า น, นนี่คือกิจกรรม เราต้องยกเปลี่ยนกิจกรรมจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมาหาความสุขจากการทาใจให้สงบต้องมีเวลาอย่าวเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายให้ระ ง, งับด้วยการไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วสิลข้อที่เจ็ก็ให้เราระ ง, งับการหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงดูพวกบันเทิงมหมอลสครต่าง อันนี้ก็เป็นการหาความสุขที่ที่เป็นความสุขที่ต่ำกว่าหรื อ, อยาบ ก, กว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการมาปฏิบัติจิตตภาวนาทาจิตใจให้สงบความสุขที่ได้จากการเจริญจิตตภาวนานี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสรดลูกเสียงจิตลดโพธภ เราก็ต้องหยุดเราก็ต้องถือสินข้อเจ็ดนี้ไม่หาความสุขจากจากการเสพรูปเสียงจีน้อของมหโลสมบันเทิงต่างๆไม่ร้องรำทำเพลงแล้วก็ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่เสริมสวยความงามให้กับร่างกายเป็นความสุขที่ประเดียวประดา ช่วเอาเวลาที่เราจะต้องมาเสียเวลากับการมาเสริมสวยความงามของร่างกายนี้มาทำจิตตภาวนามานั่งสมาธิทำใจให้สงบจะดีกว่าอ mm hmm. นีก็คือเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำสมาธิกัน mm hmm. แล้วสินอดที่8ก็คือไม่ให้นอนบนเตียงสำราญ เป็เตียงที่มีผูกเดืนหนาเตียงที่นอนสบายแล้วจะนอนมากๆจะนอนมากเกินไปให้นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งแข็งหรือนอนกับพื้นก็ได้ภูผ้าภูเสื่อก็พออันนี้จะนอนไม่มากเพราะมันไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนผูกเดนะืนหนาเตียงสำราญเตียงที่นอนแล้วสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้ว พอตื่นขึ้นมาใจก็ยังไม่อยากจะลุกใจก็อยากจะข อ, อนอนต่อก็อจะเสียเวลาอันมีค่าที่จะมาใช้กับการทําใจให้สงบนี้หมดไปอันนี้คือสินข้อแปดแปดข้อในกันที่ผู้ที่ต้องการที่จะยกระดับจิตใจยกระดับความสุขของจิตใจให้สูงขึ้นนะคือให้ ให้ออกจากความสุขของการมัสุขความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกิน่นรสปวดทพาให้ไปสู่ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบที่เรียกว่าสันติสุขเนี่ยพอเรารักษาสิ่งแปดได้แล้วสิ่งที่เราต้องมีทีอ่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีสถานที่ที่สงบสถานที่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจเราอย่าไปอยู่ใกล้กับสถานที่ที่มีลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆ เพราะว่าเวลาเราได้ยินเสียงเสียงบันเทิงเสียงอะไรหรือเห็นนะภาพอะไรเกี่ยวกับหมอสพบันเทิงนี้มันจะทำให้ใจเรานี้เกิดความอยากขึ้นมาทำให้ใจเรากรวนกรวายกระสรับกระสายเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบนั่นเองเป็นผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติจิตตภาวนา ไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกถ้ามีสถานที่สงบสงัดวิเวกเราก็เรียกว่ากายวิเวกพอกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกจิตก็จะสงบตามได้ง่ายถ้าสถานที่ที่เราปฏิบัตินี้มีแต่เรื่องที่มาคอยยั่วยวนปนใจเรื่องที่มาคอยลบปนใจมันก็จะทาให้ใจของเรานี้ กระเพื่อมทําให้ใจฟุ้งซ่านยากต่อการที่จะทําใจให้สงบได้เป็นผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อสร้างความสงบให้แก่จิตใจจึงมักจะต้องไปหาที่ที่สงบสงัดวิเวกไปตามวัดที่มีสถานที่สงบตามวัดป่าวัดเขาวัดเหล่านั้นเขาจะไม่มีกิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูนกนิ้วกาย อให้ทุกคนที่เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นตั้งอยู่ในความสงบแล้วก็ให้แยกกันอยู่ไม่ให้คุกทีกันให้มาคุกทีกันเฉพาะเวลาที่จําเป็นเช่นเวลาที่มาทํากิจกรรมร่วมกันเช่นเวลามารับประทานอาหารหรือเวลามาฟังเทศฟังธรรมก็ให้มากระทามด้วยอาการที่สงบไม่คุยกันไม่อะไรกันต่างคนต่างมีหน้าที่คอยเจริญสติคอยควบคุมกายวาจาใจ ให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ทําภารกิจที่ให้มีสติอยู่กับภารกิจที่ต้องทําเมื่อทําเสร็จภารกิจแล้วก็ให้แยกกันไปอยู่ตามสถานที่พักของตนซึ่งมักจะเป็นฐานที่ที่แยกกันไม่อยู่ร่วมกันให้เหมือนกับไปอยู่คนเดียวไปเพื่อที่จะได้ไปเจริญสติเดินจงกรมแล้วก็จะได้นั่งสมาธิถ้ามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายแต่ถ้าไม่มีการเจริญสติต่อเนื่องถึงแม้จะไปอยู่ที่วิเวกอยู่ที่สงบแต่ถ้าใจไม่มีสติใจก็ไม่สงบตามสถานที่ได้ใจก็จะฟุ้งซ่านคิดไปกับเรื่องราวต่างๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดไปแล้วก็ ใจก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบยัง น, น, นอกจากการที่ถือศีลแล้วไปหาที่สงบวิเวกแล้วไม่คุกทีกันแล้วก็ยังต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องการเจริญสตินี้ต้องเจริญตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาเราต้องมีสติควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สติเราหยุดมันไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมา วิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการใช้พุทโธให้เรานึกถึงคําว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วไปทําทุระส่วนตัวเวลาจะไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําความสะอาดที่พักก็ให้มีสติ อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปหรือถ้าเราจะไม่ใช้พุโทโธเราก็ให้ใช้การเฝ้าดกูการกระทำของร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้ผูกใจให้อยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวร่างกายอาบน้ำใจก็ต้องอาบน้ำไปกับร่างกายไม่ใช่ร่างกายอาบน้ำใจไปคิดถึงว่าเดี๋ยวจะไปกินอาหารอะไรดีอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติ ถ้าให้มีสตินี้ใจต้องอยู่กับร่างกายไตลอดไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าร่างกายเรากําลังทําอะไรถ้าร่างกายกําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินถ้าร่างกายกําลังยืนก็รู้ว่ากําลังยืนถ้าร่างกายกําลังอาบน้ําก็รู้ว่ากําลังอาบน้ําร่างกายกําลังแปลงฟันก็รู้ว่ากําลังแปลงฟันร่างกายทําอะไรกําลังรับประทานอาหารก็รู้ว่ากําลังรับประทานอาหารให้อยู่กับการกระทําของร่างกายตลอดเวลา แทนใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างไปด้วยกันก็ได้อาบน้ำไปเฝ้าดูร่างกายไปแล้วก็พุทโธไปด้วยก็ได้ถ้าไม่อยากให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้ต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้เพราะถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิจะไม่เกิดผลขึ้นมาจะไม่เกิดความสงบขึ้นมาจะไม่เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้เป้า ห, ห, หมายของการ ภาวานานี้ก็เพื่อที่จะทําให้ใจเราสงบ <c oughs> ถ้าพอใจเราสงบใจเราก็จะเข้าสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเทพหรือของมนุษย์ความสุขของเท พ, ข อ, ข, ข, อเทพของมนุษย์นี้เรียกว่ากามมรสุขความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสู้ความสุข ข, ของของการทําใจให้สงบไม่ได้ความสุข พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตติสันติพลังสุขท้งความสุขใดที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีมีความสุขนี้ที่เป็นความสงบนี้ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง<ม>ถ้าใครได้ซ้ำไปกับความสุขแบบนี้แล้วจะไม่สนใจกับความสุขในรูปแบบอแบบอื่นอีกต่อไปเมื่อก่อนนี้อาจจะชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มชอบแต่งเนื้อแต่งตัวชอบ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆกันแต่พอได้มาเจอความสุขที่เกิดจากความสงบเรานี้จะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยหันหลังให้กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสหันหลังให้กับการเข้าสังคมหันหลังให้กับการไปหาความสุขจากมหอละศพบันเทิงงานเลี้ยงต่างๆจะหารเข้าวัดไปหาที่สงบไปหาที่ที่สามารถที่จะเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบได้เพราะมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ไม่ค่อยไม่มีความทุกข์มาให้กังวลด้วยความสุขทางการมาสุขมนทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะมีความทุกข์ความกังวลเพราะเราต้องมีเครื่องมือคือร่างกายที่แข็งแรงเราถึงจะสามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธภัชนิดต่างๆได้ แต่เราก็รู้ธรรมชาติของร่างกายแล้วว่ามันเป็นของไม่แน่นอนวันดีคนดีมันก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโรคชนิดไหนจะเป็นโรคแบบรุนแรงหรือไม่รุนแรงหายช้าหายเร็วเราก็ไม่รู้มันก็จะทำให้เราคอยกังวลถึงแม้เราตอนนี้สามารถใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มได้แต่วันพรุ่งนี้มันอาจจะทาทาไม่ได้ก็ได้ ถึงจะคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยโดยคิดถึงความตายความสุขที่เราได้จากการหาความสุขจากรูปเสียงจิตลดมันก็จะหายไปหมแต่ความสุขที่เราได้จากการทําใจให้สงบนี้เรามันจะไม่มีความทุกข์ความกังวลเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสมมุติร่างกายแก่เราก็ยังสามารถเข้าสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังเข้าสมาธิได้ ร่างกายจะตายเราก็เข้าสมาธิทําใจให้สงบให้นิ่งได้เราจะไม่มีความหวาดกลัวเวกับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความกังวลเพราะเรารู้ว่าเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเรามีเครื่องมือที่หาความสุขก็คือสตินี่สตินี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวแทนของร่างกาย ถ้าเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่ลาานรสผลิภัณฑ์นี้เราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีตาหูจมูกนิ้นกายที่แข็งแรงตาตาตาไม่บอดหูไม่หนวกถ้าตาบอดก็ไม่สามารถหาความสุขจากการดูได้ถ้าหูหนวกก็ไม่สามารถหาความสุขจากการฟังได้แต่การหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้กาย แต่เราต้องใช้สติถ้าไม่มีสติแล้วใจจะไม่มีวันสงบได้เังั้นการฝึกสติการเจริญสตินี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่ต้องการที่จะทำใจให้สงบการเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามจนกระทั่ง ถ, ถึงเวลาหลับนี้ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจคิด คิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จำเป็นคิดในเรื่องที่ต้องคิดถ้าไม่ต้องคิดก็หยุดมันด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือการนั่งสมาธิหลับตาเวลานั่งสมาธิหลับตานี้จะดูลมก็ได้หรือจะท่องพุโทโธก็ได้หรือท่านดูลมไม่ได้ท่องพุโทโธยังไม่ได้ใจยังฟุ้งอยู่ก็นั่งหลับตาสวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้สวดไปหลายๆรอบสวดอิติปิโสไปหลายๆรอบ สวไปจกวจะรู้สึกว่าใจเริ่มเบาเริ่มเยน็นเริ่มสบายแล้วก็ไม่อยากจะสวดแล้วก็หยุดสวดแล้วก็หันมาดูลมหายใจที่ปลายจมูกต่อไปก็ได้ต้องพยายามทำอย่างนี้ฝวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆไม่ใช่ว่าจะทำทีเดียวครั้งเดียวปั๊บจะได้เลยเพราะวิธีการกระทำของเราอาจจะยังไม่ถูกต้องหรือ ย, ยังไม่สมบูรณ์ผลมันยัง ยังยังจะไม่เกิดอยู่ต้องพยายามฝึกทําไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าเราพลาดตรงไหนบ้างเราทําผิดตรงไหนบ้างแล้วเราก็มาปรับปรุงแก้ไขการประพฤติการปฏิบัติของเราให้บรถูกต้องตามแนวทางที่ถูกต้องตามลําดับต่อไปอแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขอื ความสุขที่ได้จากสมาธินี้ก็ยังถือว่าเป็นความสุขที่ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่ที่สุดยอดยังมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสมาธิเพราะความสุขที่ได้จากสมาธินี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวเวลาเข้าสมาธิใจสงบความสุขนี้ก็เกิดขึ้นมาเวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆความสงบก็หายไปได้ ถ้าอยากจะให้มีความสงบแบบที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่ว่าจะเข้าสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญามาเป็นตัวสร้างความสุขที่ตาวรเช่นเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอใจเริ่มเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทำให้เกิดเกิดมีอารมณ์เกิดมีความไม่สงบขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาวิเคราะห์ือว่าเรากลังคิดเรื่องอะไร ส่วนใหญ่สาเหตุที่ทำให้ใจเราไม่สงบก็เพราะเราไปคิดตามความอยากพออยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปถ้าเราอยากจะไม่ให้ความสงบหายไปเราก็ต้องใช้ปัญญามาระงับความอยากด้วยการสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศจะไปอยากให้ฝนตกหรือไม่ตกนี่ไม่ได้ฝนมันจะตกมันก็ตกฝนมันจะไม่ตกก็ไม่ตกเราจะไปอยากให้มันตกมันก็มันไม่ตกเราก็จะเสียใจเราก็เราก็จะผิดหวังได้ดงั้นอย่าไปอยากกับอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าได้มาแล้วมันก็ไม่ใช่ได้ไปตลอดได้มาครั้งนี้แล้วครั้งหน้าก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ ในเวลาไม่ได้ก็่าทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราวุ่นวายใจถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมันสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เราก็อย่าไปอยากมันเทนั้นเองปล่อยให้มันเกิดอะไรจะเกิดก็เกิดใครจะดา่าเราก็ปล่อยเขาด่าเราใครเขาจะว่าเราก็ปล่อยเขาว่าเราเราห้ามเขาไม่ได้ใครจะชมเราก็ปล่อยเขาชมไป ใครจะมาใครจะไปเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้บังคับเขาได้แล้วเราบังคับสิ่งเดียวได้ก็คือใจของเราบังคับใจของเราด้วยปัญญาว่าอย่าไปอยากกับอะไรเลยอยากแล้วมันจะทุกข์เพราะว่ามันจะทำให้ใจเราวุ่นวายเวลาที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากได้เดี๋ยวสิ่งที่เราอยากได้มามันเปลี่ยนไปหรือหมดไปมันก็จะทาให้เราทุกข์อีกอ อันนี้คือวิธีที่จะระงับความความวุ่นวายใจหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาเวลาที่เรามีความอยากแล้วใจเราจะเริ่มวุ่นวายขึ้นมาแล้วเริ่มกังวลกัวายก็สับก็สายนั้นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าอยากอย่าไปอยากเป็นอะไรให้ยินดีตามมีตามเกิดผลจะตกก็ปล่อยมันตกไปแต่จะออกก็ปล่อยมันออกไป อยาปพยยามให้ฝนไม่ตกแดดไม่ออกแล้วเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสบายใจอยู่ได้อย่างความสงบไปตลอดถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาคือมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วเราก็จะได้ หยุดหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราก็อยู่กับเขาไปเ้าจะเป็นอย่างไรก็อยู่กับเขาไปหรือถ้าเราไม่ต้องการจะอยู่กับเขาถ้าแยกกันได้ก็แยกกันไปถ้าแยกไม่ได้ก็อยู่กันไปแต่ทำใจให้สงบเฉยๆไปเราก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขที่ถาวรความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างถาวรด้วยปัญญา ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่แน่นอนเราไม่ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเปลี่ยนได้มันขึ้นได้มันลงได้มันมาได้มันไปได้มันเกิดได้มันดับได้อย่าไปหวังว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราตลอดวันดีก็ดีมันอาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้นะคิดอย่างนี้แล้วใจเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร เมื่อไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะเย็นสบายไปตลอดนี่แหละคือความสุขที่พระเจ้าได้พบแล้วภาษาวกทั้งหลายได้พบกันแล้วนําเอาวิธีหาความสุขเหล่านี้มาสอนพวกเราด้วยการให้พวกเรามาทําความเพียรในวันพักกันเพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นเพียรรักษาบุญกุศลที่เรามีอยู่แล้วไม่ให้หมดไปเพียรละบาอกุศล ที่เรายังไม่ละไม่ได้ละให้มันละไปให้หมดแล้วก็เพียรป้องกันไม่ให้หบาปอักุศนที่เราได้ละแล้วกลับมาอีกถ้าเราทําความเพียรทั้งสี่ประการนี้ได้แล้วผลอนเลิศประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวงได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับกันต่อไปอ น, นี่คือเรื่องราวของภารกิจที่พระเจ้าส่งมอบให้พวกเราชาวพุทธมาทำกันในวันพระก็คิดว่าพอสมควรแต่ก่อเว้ต่อเวลา จะขออนุโมทนาให้พ่อนยถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปิอตยชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะวะโสยทถามณิโชติ อระโสยะาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรคขวินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสนิจจังวุฒาประจายโนยะตาโรธรมมวาทันติอายุวันุสุขัง <า>ช่วงต่อไปนี้ <S <S ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube แล้วทางทีมงานจะได้นำเอามาอ่านถามต่อไปอันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ กรับนมั ส, สการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานุกติทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์483ท่านทาง Youtube 330ท่านทางด r V c h a n ร e วชา85ท่านวิทยุออนไลน์10ท่านครับเฮา7ท่านหน้กกุฏิ78ท่านรวมทั้งหมดเป็น992ท่านเจ้าค่ะมีคำถามไหมเจ้าค่ะมีคำถามจากเฟ e บุ o กเจ้าค่ะ จากคุณเชยดานะคะถ้าหากแม่ของเราไม่เคยได้พบกันอีกเลยพอเรามีลูกเราจึงรู้ถึงความยากลำบากที่แม่มีเราเราจะตอบแทนคุณท่านได้อย่างไรบ้างคะและเราจะตอบแทนคุณคนอื่ น, น, นที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการดูแลเรามาจนเติบใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรบ้างคะถ้าถ้าตอบแทนได้ก็ตอบแทนไป ถ้าตอบแทนไม่ได้ก็ต้องถือว่ามันเรื่องสุดวิสัยไปแล้วแต่ความสามารถของเราด้วยอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สูญเสียมรรดาไปตั้งแต่เจดวันหลังจากที่คลอดออกมาแต่พอหลังจากที่ท่านตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีพลังจิตสามารถค้นหาดวงวิญญาณของแม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนพอค้นพบติดต่อกันได้ท่านก็ทรงแสดงธรรมให้กับแม่ ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันจนพบพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมามถ้าเรามีความสามารถที่จะหาแม่ได้พบแม่ก็ทำมันทาบุญตอบแทนท่านไปถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนเวลาเราทำบุญก็คิดเผื่อไว้ว่าถ้าท่านตายไปแล้วก็ขอให้ท่านมารับส่วนบุญที่เราทำไปก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณอัธพรกราบนวัตการมพระอาจารย์ขอเรียนถามว่ามเมื่อปฏิบัติแล้วจิตประสาทกล้ามเนื้อผ่อนคลายหัวสมองโล่งปลอดโปร่งหลับสบายตื่นก็สดชื่นเวลามีอะไรมากระทบในใจก็ใช้ไตรรักพิจารณาความทุกข์ก็คลายไปได้ถือว่าปฏิบัติมาถูกทางไหมครับถูกแล้วเพราะเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อเพื่อระงับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่าง ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ร่ำให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโตปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทางใจเป็นอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณดีซ h ช n n น l น้อมกราบสาธุค่ะรบกุณสอบถามค่ะถ้าโยมจะนำปัจจัยหรือเงินถวายพระอาจารย์ขณะบิณฑบาตโยมจะถวายอย่างไรได้คะหรือว่าต้องนำปัจจัยใส่ซองแล้วค่อยไปใส่บาทคะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะก็ใส่ซองแล้วก็ให้ใหลูกศิษย์ ท, ที่ที่มาช่วยถ่ายถ่ายของบอกว่าถวายให้ท่านอาจารย์หน่หน่อเขาก็จะเก็บไว้ให้ คำถามต่อไปจากคุณบิจวานหนูมีคำถามเมื่อก่อนตอนทำงานใส่บาตรทุกๆวันวันละหนึ่งองค์พอกเกษียณแล้วไม่ได้ใส่บาตรทุกวันแต่ไปวัดถวายอาหารและฟังธรรมอาทิตย์ละหนึ่งวันอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันเจ้าค้ากราบขอบพระคุณค่ะบุญมากบุญน้อยอยู่ที่เราทำมากก็ทำน้อยไม่ได้ว่าอยู่อย่างไหนทำน้อยอย่างไหนมันก็ได้น้อยเหมือนกัน ใส่บาตรเลือกไปถวายของที่วัดท่านทําน้อยมันก็ได้น้อยถ้าทํามากมันก็ได้มากคําถามจากคุณอัจชราเจ้าค่ะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเรามีสุราที่อยู่ในครอบครองหลายขวดแล้วเราต้องให้ผู้อื่นไปเพราะเราถือศีลห้าแล้วเราบาปใหม่เจ้าค่ะที่เราให้เขาไปกราบขอพระคุณเจ้าค่ะ ไม่บาเราแต่เราไปส่งเสริมให้เขาติดสุราทางนี้ดีก็เทใส่ช่วมไปดีกว่ามันก็ไหนๆเขาก็เดื่มมันก็ต้องออกมามันก็ไปที่ช่วมอยู่ดีอย่างน้อยเราเทใส่ช่วงเขาจะได้ไม่เสียหายร่างกายเขาจะได้ปลอดภัยจากพลิษโุราคําคำถามจากคุณสุกัญญาเจ้าค่ะเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะก่อนหนะ้าพระพุทธเจ้าผู้บรรลุธรรมใหม่ มีผู้บรรลุธรรมใหม่เจ้าคะและถ้ามีเขาได้รับธรรมะจากไหนเจ้าคะไม่มีหล้วต้องรอให้พระพุทธเจ้าก่อนถึงจะสามารถบรรลุธรรมได้คนที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองนี้หายากมากไม่ใช่จะมาเกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นยากยิ่งกว่า ง, งมเข็มในมาหาสมุทรเลยการที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาแต่ละครั้ง ก่อนที่มีก่อนที่จะไม่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็มีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแต่ท่านความความศาสนาของท่านจางหายไปหมดนะ้ไม่มีใครรู้ ร, ร, รู้เรื่องราวแล้วต้องรอให้มีพระพเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาหรือฟืน้นธรรมะอันอันประเสริฐเอามาสอนต่อทีนยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะในการที่เราจะ ตัสิรู้เป็พระพุทธเจ้าเองได้นี่ยากแสนยากขนาดเป็นสาวกอย่างยากขนาดนี้ถ้า mm hmm. จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเองนี่มันยิ่งยากหลาย mm hmm. หลายหลายล้านเท่าเลยกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระพระธรรมหรือพระอริยสงสาวกนี้แสดงว่าเรานิโชคดีมากเะ mm hmm. ฉะนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้หลุดมือไป โดยไม่ได้จากดวงประโยชน์อันเลิศล้ำจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยชาตินี้เรามีโอกาสนานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้มาหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เราต้องปฏิบัติเองพ ร, พระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติแทนเราไม่ได้เราต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้บอกทาง ด้วยการศึกษาของเราเมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องนำออาไปปฏิบัติเช่นเราควรจะมีวันที่เราแบ่งไว้สําหรับการปฏิบัติและการศึกษาก็คือวันพระสมัยนี้วันพระอาจจะไม่สะดวกสําหรับเราเพราะมันไม่ตรงกับวันหยุดทํางานเราก็เปลี่ยนวันพระไปเป็นวันที่เราหยุดทํางานเช่นถ้าเราหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็ถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระวันนั้นเราก็จะไม่ไปทําภารกิจอย่างอื่น เราจะ เ, เวลาวันนั้นมาศึกษามาปฏิบัติธรรมอย่างที่เรากระทากันในวันนี้ญ <Yeah. S 1> าติโยมที่มาวันนี้ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ต้องไปทํางานทําการ uh. เขาอาจจะมีกิจการส่วนตัวเขาสามารถหยุดได้เอง <Yeah. S 1> หรือว่าเขาไม่ต้องไปทํามาหากินแล้ว mm. เขามีรายได้ mm. พอที่จะจุนเจือเขา mm. เขาก็เลยมีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมในวันพระได้ แต่สำหรับท่านที่ยังต้องไปทำงานในวันนี้อยู่ก็เปลี่ยนวันพระไปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนมีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะน้องกราบสอบถามเจ้าค่ะว่าถ้าลูกรักษาสินแปดอยู่ที่บ้านวันพระแต่ถ้าลูกซื้อลอตเตอรี่นี้จะผิดศีลหรือเปล่าเจ้าคะแล้วจะบาปไหมเจ้าคะกราบสายทค่ะการซื้อลอตเตอรี่นี่มันเป็นอบายมุขไม่ไม่ใช่ยังยังไม่บาป แล้วก็อยู่ที่ว่าเราเล่นมากเล่นน้อยซื้อมากซื้อน้อยถ้าเราซื้อพอหอมปากหอมคอพอเสียงโชคใบสองใบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายแต่ถ้าเราเอาเป็นทำเป็นอาชีพอย่างนี้ก็ไม่ควรทำรือไม่ไปทำงานทำการอาชีพเราก็คือคอยซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวอันนี้เราก็คิดว่าคิดว่าคงจะไม่ไม่ดีเพราะว่ามันโอกาสที่จะได้ร่าได้รวยได้เงินมีเงิ น, งนทองมั่นรงนี้คงจะยาก เราการซื้อออตเรี่นี่ไม่ใช่มันจะถูกง่ายๆงั้นอย่าไปหาหาอะไรได้จากการซื้อออตเตอรี่แต่ถ้าซื้อไว้เพื่อเป็นการ เ, าเสี่ยงโชคหรืออะไรทํานองนี้ใบสองใบ ก, ก็ก็ทําไปคิดว่าเป็นการทําบุญก็แล้วกันพอเงินที่เราซื้อออตเตอรี่เขาก็ไปทําทําบุญต่อเงินที่ได้กําไรจากออตเรี่ทางกองสลากเขาก็เอาไปทําบุญต่ อ, อที มีคำถามจากคุณทิพย์ชาวดอนใช่ค่ะกราบนวัช ก, การขอรับท่านพระคุณเจ้าขอเรียนถามว่าทําไมถึงมีคนเหล่านั้นไปสักการะผีกายแก้วขอรับความโง่งไงความไม่รู้เรื่องไงความงมงายความไม่รู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมมีใครเข้ามาปลูกมาปั่นก็เชื่อไปตามความ ท, ที่เขาปลูกปั่นขึ้นมาทัานนี้คนที่มี ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของกองของจริงก็คือกฎแห่งกรรมนี่แหละคือของจริงาศาสนาพุทธสอนของจริงก็คือกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อไม่ใช่เพราะารูปนั้นรูปนี้ร่างนั้นร่างนี้มาทําให้เราดีให้เราเชื่อเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทําให้เราดีให้เราเชื่อได้ การการะทำของเราเองนี่แหละที่จะทําให้เราดีแล้วทําให้เราชื่วทําให้เราสุขรแล้วให้เราไม่สุขทําให้เราเจริญหรือไม่เจริญอยู่ที่การการะทําของเราถ้าคนที่มีมีความรู้จริงแล้วจะไม่มีความเชื่อในเรื่องราวตา่ตางๆเรื่องหมอดูเรื่องอะไรต่างๆที่เขาเชื่อกันนี้จะเป็นเรื่องงม ง, งายนทะั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใด คำถามจากคุณสมบูรณ์ลิ้วอินเจ้าค่ะถือสินแปดลูกชายถุกเนือต้องตัวได้ไหมเจ้าคะคือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะไปแตะต้องร่างกายของเพศตรงันข้ามเนะพราะว่าส่วนใหญ่เข้าหมายถึงผู้ใหญ่มากกว่าผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ผู้หญิงกับผู้ชายไม่ควรจะไปแตะเนื้อต้องตัวกันเพราะมันอาจจะทําให้ไฟลุกขึ้นมา ไฟแห่งการมาราคะไฟแห่งกามอารมณ์มันจะลุกขึ้นมาได้แต่ถ้าแตะกับเด็กน้อยทาลกอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องที่มันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันไม่เกิดอยู่แล้วแต่ก็ถ้าอยากจะรักษาศีลอันนี้ให้บริสุทธิ์ก็พยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีกว่าแต่ไปแตะเนื้ต้องตัวเพศที่ตรงข้ามแม้แต่สุนัขก็ยังแตะไม่ได้เลยนะนะสุนัขเช่ น, นเป็นผ้านี่ไปแตะต้องสุนัขตัวเมียนี่ก็แตะไม่ได้อันจริง เพื่อเพื่อป้องกันเพื่อมันเป็นกฎที่ควรจะทำเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราไปทำถึงแม้เราไม่มีอารมณ์ก็ตามแต่คนที่ก้บางคนอาจจะมีบ้าแต่คนบ้ามีอารมณ์อยู่ก็ได้เอาไปต่ดเนื้อต้องสัวขึ้นมาแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็มี คำถามจากคุณมาริกาชัยยาวเจ้าค่ะกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเมื่อไหร่ไปทำบุญจะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทับซ้อนที่มีมากกว่าหนึ่งปัญหาถามว่านี่คือเป็นวิบากกรรมใช่ไหมเจ้าค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเน่มันเหตุการณ์บางวันมันก็มากบางวันมันก็น้อยนก็ไม่รู้จะมาแยกแยะว่ามันเป็นเหตุการณ์มาจากกรรมหรือมาจากอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมัน ขอให้เรามีความมุ่งมั่นต่อการกระทำของเราก็แล้วกันถ้าเราต้องการจะไปทําบุญจะ ม, มีอะไรจะมีเหตุการณ์อะไรมาขัดขวางเราถ้าเราข้ามมันได้ก็พยายามข้ามมันไปไม่ต้องไปสนใจถ้าข้ามไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยไปในวันนั้นก็แล้วกันคําถามจากคุณพัทรพจน์กรราบนามสักาามสการพระคุณเจ้าครับ ถ่าเวลาสวดมนต์บางครั้งรู้สึกแว บ, บหนึ่งว่าเราไปอยู่อีกในที่ที่หนึ่งไปเห็นโน่นเห็นนี่แล้ววุบ ก, กลับมาสวดมนต์ต่อหรืออยู่ๆไปรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงชิพจรที่เทา้าควรแก้อย่างไรดีครับก็ดึงกลับมาที่สวดนแสดงว่าตอนนั้นเราเผลอสติเราไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์พอเรารู้ตัวว่าเราเผลอไปนะแล้วเราก็รีบดึงกลับมาแล้วก็พยายามบังคับให้มันอยู่กับการสวดมนต์ไปเรื่อยๆ ใหม่ๆการปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่างเนี้ใจสติยังไม่มีกําลังพอใจมันชอบแว บ, บไปที่อื่นเรื่อยๆก็ถือ ว, ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปท้อแท้เบื่อหนะ่ายต้องอดทนต้องพยายามดึงมันกลับมาเหมือนจับปูใส่กระดง้งเนี่ยจับปูตัวนี้ใส่กระดง้งเนี๋ยคกู้อีกตัวมันก็ออกไปหน้ากระดง้งต้องคอยตามจับมันอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณแมนเจ้าค่ะผมกําหนดอริยบทต่างๆในชีวิตประจําวัน แต่ยิ่งทำยิ่งหงุดหงิดครับคือตอนทําอยู่คนเดียวมันสงบแต่พอมีใครมาคุยมากระทบอารมณ์นิดหน่อยมันหงุดหงิดมากขึ้นกว่าตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัติครับพรมเทพเทวดามีอายุยืนยาวหลายล้านปีเวลาที่อายุพระพุทธศาสนาทําไมถึงไม่มีผู้รู้ธรรมมาสอนผู้อื่นต่อครับเพราะไม่มีผู้ศึกษาไง ถ้าไม่มีคน ส, สนใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติต่อไปก็จะไม่มีคนรู้ธรรมที่จะมาเผยแผ่สั่งสอนต่อไปนี่นมันอยู่ที่ความความสนใจของคนในแต่ละยุคแต่สมัยซึ่งมันก็อาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างของเรายุคนี้คนสนใจธรรมะก็น้อยลงไปคนเข้าวัดก็น้อยลงไปเพราะมันมีเสียงยั่วยวนกลนใจที่มากขึ้นรูปเสียงกินร้อนอะไรต่างๆมันมีมากขึ้น แล้วก็สามารถเข้าหาได้ง่ายขึ้นมันก็เลยดึงดูดคนให้ไปหาสิ่งเหล่า น, นั้นกันมีทํ า, ท า, าถามเลยอาจารย์ขอโอกาสถามคําถามนะครับเอออยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอะไรคือเครื่องบ่งชี้ว่านักปฏิบัติคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเข้าถึงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกอีกแล้วอ่ะฮะก็สเตนเนี่ยเป็นโดยสําคัญที่สุด ถ้าเรามีสติเราก็สามารถควบคุมความอยากที่จะไปหาความสุขภายานอกได้ทำให้ใจนิ่งสงบได้พอใจนิ่งสงบใจมีความสุขภายในใจก็ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกยังต้องพยายามเจริญสติให้มากๆเบื้องต้นสติจะให้ความสุขแบบชั่วคราวพอเราได้ความสุขแบบชั่วคราวแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญามาเปลี่ยนความสุขแบบชั่วคราวนี้ให้เป็นความสุขแบบถาวรต่อไป มันทำสองงานนี้สำคัญสติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือปัญญาแสดงว่าความสุขที่เกิดจากชานี่ยังเป็นความสุขที่ยังต้องอาศัยปัจจัยอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ช่วคราวอาศัยสติคอยยับยั้งความคิดพอไม่มีสติใจแล้วใจออกจากสมาธิมามันก็เริ่มมาสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆก็อาจจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาไดา้แต่ถ้าไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายใจออกจากสมาธิมาแล้ว ก็มีสองทางใช้สติหยุดมันเหมือนที่เคยทําหรือถ้าใช้ปัญญาเป็นใช้ปัญญาหยุดมันได้ก็มันก็จะหยุดอย่างถาวรได้แล้วที่คําพระที่ท่านกล่าวว่านิรามิตรสุขนี่เราจะสามารถเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อในปฏิบัติไปถึงที่สุดแล้วในระดับวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมครัใช่ระดับปัญญาที่สามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ความอยากนี้จะเป็นตัวที่มาทําลายความสงบของใจ เวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราเกิดความอยากใจก็เริ่มวุ่นวายขึ้นม า, าเราต้องการที่จะกําจัดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันอาจจะเป็นสุขในเบื้องต้นแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นี่มันจะต้องไปจบลงที่ความทุกข์งั้วเราก็จะไม่อยากได้ต่อไปตอนพระอาจารย์ฝึกปฏิบัติแล้วก็สงบบ้างไม่สงบบ้างนี่ท่านอาจารย์ใช้วิธีการยังไงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติต่อฮะกอทำไปเรื่อยๆเพราะอย่างน้อยเรารู้ว่ามันดีกว่าการไปหาความสุขจากรูปเสียงกกิ่นวรส พอาหาความสุขอย่างรูปเสียงขีดล้นนี่ต้องไปหาเงินหาทองต้องไปทํางานต้องไปเด็ดเหนื่อยกว่าการหาความสงบจากการเจริญสติเราก็เลยเปรียบเทียบแล้ววิธีการหาสติกับหาสตังนี่ง่ายๆกว่ากันหาสติมัน ง, ง่ายกว่ า, า, มงง า, วาไม่ต้องไปสมัครงานไม่ต้องไปหางานทําเพียงแต่คอยเตือนเตือนใจเราให้หยุดคิดคอยใช้อยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วอยู่กับการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเท่านั้นเราก็สามารถดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ความสงบได้ ขอบคุณครับเดี๋วโยมนี้เมื่อกี้บอกจะถามอะไรหรือเปล่านะถามว่าถามตอนนี้นะเพราะตอนหลังใหม่ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่สะดวกมีสองคำถามค่ะหลวงพ่อเขตอนที่เดินวันที่สองที่เข้าสุติและเดินจงกรมอยู่อะ่ะจิตมันอาจจะแวบไปหรืยังไงแต่ว่ามันมีภาพนิมิตขึ้นมาโยมก็พยายามพุดโธพุดโทตตอ แล้วสักประเดี๋ยวภาพนิมิตนั้นมันก็กลับเข้ามาอีกค่ะแล้วมันก็มันก็เหมือนกับขยายใหญ่ขึ้นเราอย่าบุญเราอย่าไปหยุดพุทโธเลยอยู่กับพุทโธยึดกับพุทโธ้มันจะใหญ่จะเล็กจะอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะหายไปเองถ้าเราไม่ไปสนใจนิมิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึี้เหมือนกับดินฟ้าอากาศเนี่ยฟ้าร้องฝนตกอะไรทั้งนั้นค่ะ อีกคำถามหนึ่งค่ะมีมีญาติธรรมชักชวนไปสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่ที่มีเขตเสำหรับคนที่แอดวานซ์มากๆแล้วนะคะคือเข้าไปอยู่ในป่าเลยค่ะหลวงพ่อทีนี้บางทีมันก็รู้สึกเหมือนว่าอยากจะอยากจะท้าทายดูเหมือนกันแต่ก็รู้ว่าตัวเองยังยังไม่ถึงขนาดนั้นก็เลยอยากจะทราบว่า ถึงขนาดไหนแล้วที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่ในป่าได้ล่ะค่ะเพอย่างน้อยเราต้องมีสมาธิสามารถหยุดหยุดความฟุ้งซ่านความตึงเต้นตกใจได้ด้วยกําลังของสติต้องได้ฌา น, นต้องได้ฌานก่อนลแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปอยู่ที่วัดเสียววัดโกได้ ถ้าเรายังไม่สามารถใช้ปัญญาระงับความหวาดเสียวหวาดกลัวแล้วก็ใช้สติใช้สมาธิหยุดมันไปก่อนได้ถ้าเราไม่มีพอเราไปเจอของที่หวาดเสียวหวาดกลเราจะโกอย่างเดียวให้ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าหลงป่าก็จะมีผลออกไปตามหาอ่างั้นแหล <c oughs> ะขอบพระคุณคะ่ะยังไหมถามต่อได้อคอยคาถามนะอาจารย์ ที่หลวงตามาหาบัวท่านมากักจะชมลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์คนนั้นลูกศิษย์คนนี้นี่อมีหลักมีฐานแล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยครว่าคําว่าหลักฐานอันนี้นี่คืออะไรคือความสงบความนืง่งเวลาจะต่อหน้าท่านแล้วเฉยๆไม่มีอาการตื่นตระหนกอะไรถ้าก็จะรู้บางคนเห็นต่อหน้าท่านแล้วใจสัน่นตัวสั่นไม่หม ด, มดนั่นก็ดูงนั้นท่านก็เห็นแล้วว่ามีหลัก ม, มีมีหลักมีเกณฑ์หรอือเปล่า ถ้ามีหลักก็ใจจะนิ่งใจจะใจจะเฉยไม่ว่าจะกระชิญกับอะไรก็จะเฉยแต่ถ้ายังไม่มีหลักมีแก่นนี่มันจะมีความอปฏิกิริยากับสิ่งที่พบสิ่งที่ชอบก็จะแสดงอาการดีได้ขึ้นมาสิ่งที่กลัวก็จะเกิดอาการสัน่นตัวสั่นขึ้นมาเห็นท่านจะดูดูดูปฏิกิริยาของลูกศิษย์ที่เวลาเจอหน้ากัน อันนี้เป็นผลที่เกิดจากฌานสมาธิที่ได้สม่ำเสมอเลยมาห้าจังใช่จากการที่เราฝึกสติเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วก็เกิดจากการมีปัญญาประกอบด้วยยิ่งดีถ้ามีปัญญาประกอบมันยิ่งจะทําให้ใจนิ่งมากขึ้นไปด้วยขอบคุณครับโอเคหน้าคนเดียวเลยครับคําถามจากคุณแมนเจ้าค่ะ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 ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเจอคนเราก็ต้องพยายามฝึกให้อยู่กับคนให้ได้ด้วยถ้าเราดิ้กเลี่ยงไม่ได้ถ้าต้องเจอคนก็ต้องอดทนไว้ก่อนอย่าไปอยากพราว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดคำถามจากคุณกลองคอนเน็ตไมค์คอนเน็ตกราบนมัสการหลวงพ่อยอมรับฟังธรรมะของหลวงพ่อและนำไปปฏิบัติในข้อ ที่ว่ายิ่งฟังจะทำให้เข้าใจมากขึ้นตอนนี้โยมมีความซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่มากกว่าตอนท่านมีชีวิตอยู่โยมควรทำอย่างไรเพื่อให้พ่อแม่ได้รับบุญนี้คะให้ได้รับเลยนะให้ได้รับบุญนี้เจ้าคะ่ะที่แบบว่าได้รับบุญนี่นะค่ะ แ บ, บบว่าซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่ยิ่งฟังธรรมพระจารย์ยิ่งซาบซึ้งบุญคุณของพ่อแม่แล้วพ่อแม่แบบเสียไปแล้วจะทํำยังไงท่านได้รับบุญเจ้าค่ะอยากจะได้รับบุญก็จะทำบุญส่งไปเจ้าค่ะคําถามจากคุณปุ้ยปุ้ยพีหนีเที่ยวกราบนามัสการพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้ได้อย่างไรว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วครับก็ดับความทุกข์ได้ ความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะดับความทุกข์ได้เช่นเห็นแฟนว่าเป็นทุกข์อยากกันดีกว่าอย่าอยู่ด้วยกันอยู่กันแล้วกัดกันทะเลาะกันทุกวันก็อย่าอยู่ดีกว่าทะเลาะอยู่ไปก็ทุกไปเปล่าๆอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นว่าแฟนเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเขาไม่แน่นอนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบวันดีก็ทําให้เราสุขวันไม่ดีก็ทําให้เราทุกข์แล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็แยกทางกันดีกว่า ตัวใครตัวมันเนีย่ยสัมมาทิฏฐิหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคมิค่อยากจะถามยังไหมในที่นี้ถ้าไม่มีกล่าาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุ